สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีิชาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่เจ็ดสิบเรื่องคุณค่าของคนชอบธรรมเจริญของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดโปรดฟังพระเจริของพระเจ้าผู้ใดที่รักวิเนัยก็รักความรู้แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด คนดีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแต่คนที่คิดการชั่วร้ายพระองค์ทรงลงโทษคนจะตั้งอยู่ด้วยความโหดร้ายไม่ได้แต่รากของคนชอบธรรมจะไม่รู้จักเคลื่อนย้ายภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตนแต่นางผู้นำความอับอายมาก็เหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกสามีความคิดของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรม แต่คำหารือของคนชั่วร้ายนั้นทรยศถ้อยคาของคนชั่วร้ายหมอบคอยเอาโลหิตแต่ปากของคนเที่ยงทาช่วยคนให้รอดคนชั่วร้ายคว่าแล้วและจะไม่มีอีกแต่เรือนของคนชอบทมยังการงอยู่คนจะได้คําชมเชยตามสามัญสำนึกที่ดีของเขาแต่คนที่ความคิดตลบตะแลง ก็เป็นที่ดูหมิน่นพี่น้องครับเราเข้ามาสู่พร ะ, พระธรรมสุภาษิตในอีกบทหนึ่งนะครับบทที่สิบสองซึ่งเป็นการขึ้นบทใหม่ในพระธรรมบทนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตรงกันข้ามกันสองอย่างก็คือคนชอบธรรมและคนธรรมและเราจะสังเกตได้ว่าเกือบทั้งสุภาษิตนะครับซึ่งมีทั้งบทสามสิบเอ็ดบทนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบกันเสมอครับระหว่าง สิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบทมกับสิ่งที่อาธรรมเพราะฉนั้นในวันนี้นะครับแปดข้อสำหรับวันนี้นั้นก็ครอบคลุมในความกว้างขวางหลากหลายของคนที่อยู่รอบข้างเราก็เป็นคนชอบธรรมครับกับคนอาธรรมคนชอบธรรมนั้นมีคุณค่ากับเรามีคุณค่าต่อสังคมมีคุณค่าต่อครอบครัวนะครับ ในข้อที่หนึ่งครับเริ่มต้นด้วยคาว่าผู้วิผู้ที่รักวินยัยหรือรักคำสั่งสอนก็รักความรู้แต่คนที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโชดหรือแปลว่างโง่เขาครับพี่น้องครับการรักคำสั่งสอนนี้หมายความว่าเป็นคนที่สอนได้สอนได้ถูกสอนได้ครับเป็นคนที่ผู้อื่นสอนเราได้ผมเคยบอกเสมอครับว่า เดินกันไปสามคนจะต้องมีครูของเราจะต้องมีคนที่มีชีวิตที่ดีกว่าเรานะครับสามคนก็คือเรากับเพื่อนอีกสองคนครับในทุกๆด้านของชีวิตจะต้องมีคนที่ดีกว่าเราและด้อยกว่าเราเสมอพี่น้องครับเดินกันไปสามคนจะต้องมีคนหนึ่งเป็นครูของเราได้เป็นแต บ, บแบบอย่างของเราได้ถ้าเราเป็นคนที่ผู้อื่นสอนได้นะครับ เราก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างไม่มีวันหมดไม่มีจบสิ้นแต่คนที่ไม่ชอบเรียนรู้ชีวิตของเขาก็ได้รับอะไรน้อยมากและก็มีอะไรน้อยมากมันเขาไม่สามารถที่จะให้คาปรึกษาได้ไม่สามารถที่ให้คำสั่งสอนได้ถ้าปราศจากพระคำของพระเจ้าและปราศจากการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจิตใจที่พร้อมหรือความเต็มใจในการฝึกฝนยอมรับการแก้ไข นะครับและเรียนรู้จากคนอื่นนี่แหละครับจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ชอบทำขึ้นมาเรื่อยๆและคุณค่าของเราก็อยู่ตรงนี้แหละครับคุณค่าของคนชอบทำนั้นคือว่าเขาจะเต็มไปด้วยความรู้สิ่งใดที่เขาไม่รู้เขาก็เต็มใจที่จะฝึกหรือฝ่ายรู้ฝึกฝนฝึกหัดยอมรับการแก้ไขยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง แต่ในทางกลับกันครับคนที่เกลียดชังคาตักเตือนก็เป็นคนโง่ามากจริงๆคนที่เกลียดชังการตักเตือนนะครับก็เป็นคนที่โง่ามากจริงๆภาษาอังกฤษใช้คาว่า stupid เลยนะครับ stupid it is stupid to hate being corrected ก็คือว่ามันเป็นเรื่องโง่เขามันเป็นเรื่องโง่นะครับในการที่เราจะไม่ชอบหรือเกลียดคนที่มาสอนเราหรือคนที่มาทำให้เราถูกต้องแก้ไขเรา ข้อต่อไปครับคนดีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแต่คนที่คิดการชั่วร้ายนั้นพระองค์ทรงลงโทษพี่น้องครับในพระธรรมสุภาษิตนี่นะครับได้ใช้คำหลายคำในการอธิบายถึงคนดีคนดีก็คือคนชอบธรรมครับคนดีก็คือคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนเที่ยงธรรมเป็นคนไร้ตาหนิเป็นคนที่มีความเข้าใจเป็นคนที่ไว้วางใจได้เป็นคนที่มีความเอ็นดู เป็นคนที่มีใจกว้างขวางเป็นคนที่อยากรู้เป็นคนที่อยากรู้นนรด้วยและเป็นคนซื่อสัตย์ครับคนเหล่านี้ครับเขาจะได้พระพรพระพรนี่คืออะไรพระพรนี่ก็คือความโปรดปรานของพระเจ้านะครับคนดีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าในทางกลับกันครับคนที่คิดการชั่วร้ายพระองค์ทรงลงโทษพี่น้องครับคุณค่าของคนชอบธรรมก็คือเขาจะเป็นคนที่เที่ยงธรรมเขาจะเป็นคนไร้ตําหนิ เขาจะเป็นคนที่มีความเข้าใจเขาจะเป็นคนที่ไว้วางใจได้เขาจะเป็นคนที่มีความเอ็นดูมีจิตใจกว้างขวางเป็นคนที่อยากรู้อย่างรู้และเป็นคนซื่อสัตย์พี่น้องครับนี่แหละครับคือคุณค่าของคนชอบธรรมเรามีคนอย่างนี้อยู่นะครับแล้วเราเป็นอย่างนี้ให้กับคนอื่นพี่น้องครับเรามีคุณค่ามากนะแต่คนที่คิดการชั่วคดโกงเขาจะถูกพิพากษาและไม่ได้รับความโปรดปรานครับ ข้อต่อไปครับคนจะตั้งอยู่ในความโหดร้ายไม่ได้แต่รากของคนชอบธรรมจะไม่รู้จักเคลื่อนย้ายพินนัปครับการตั้งมั่นคงอยู่ในแผ่นดินของชาวอิสอเอลนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาเช่นเดียวกันครับการลงหลักปักฐานในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของคริสเตียนก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเพราะว่าในที่สุดแล้วเราจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาก็คือแผ่นดินสวรรค์และ คนชอบทำนั่นเองหลักฐานของเขานั้นทอดสมออยู่ในพระเจ้าครับรากฐานของเขาทอดสมออยู่ในพระเจ้าเขาสามารถทนต่อพายุแห่งชีวิตได้มรสุมชีวิตเข้ามานะครับเขาไม่คลอนแคลนครับในขณะที่รากฐานของคนชอบธทำนะครับไม่ค่อนแคลนรากฐานของคนชั่วร้ายอ่อนไหวและไม่มั่นคงครับพี่น้องเพราะฉะนั้นคนชอบทำนะครับคุณค่าของเขาก็คือว่าเขาสามารถพึ่งพาอาศัยได้ครับ รากฐานของเขาทอดสมออยู่ในพระเจ้าราการต่อไปครับข้อที่สี่ภรรยาดีนั้นเป็นมงกุฎของสามีตนเธอสามารถทำให้สามีภาคภูมิใจได้และเธอ <c oughs> ได้รับเกียรตินะครับภรรยาเช่นนี้มีคุณงามความดีที่สูงส่งมากสามารถเปล่งประกายขอโทษครับทรงแสงออกมา นางเป็นผู้ที่เสริมเพิ่มศักดิ์ศรีให้กับสามีครับในทางกับการภรรยาที่นําความอับอายมาก็ทําให้สามีเสียใจกลุ่มใจท้อใจทําให้กระดูกของสามีเน่านะครับเปื่อยบาดเจ็บภายในพี่น้องครับหลายหลาคนใช้คำผิดข้ อ, น, อ น, นี้บอกว่าภรรยาเป็นมงกุฎแสดงว่าภรรยาต้องมาก่อนสามีไม่ใช่ครับแต่ภรรยาจะต้องทําให้สามีภาคภูมิใจได้รับเกียรติครับ ข้อต่อไปครับข้อที่ห้าความคิดของคนชอบทํานั้นยุติธรรมแต่คําหารือของคนชั่วร้ายนั้นทรยศพี่น้อครับคนชอบทํามีความคิดหรือความปรารถนาสําหรับตนเองและผู้อื่นอย่างยุติธรรมและชื่อสัตด์แต่คนชั่วร้ายให้คําปรึกษาแบบคนทรยศครับแบบคนที่ทรยศเราได้ตลอดเวลาพลิกไปพลิกมาในคําหารือแบบเห็นแก่ตัวพี่น้องครับนี่คือคนที่ชั่วร้ายครับเป็นคนทรยศ ให้คำปรึกษาไปเพ้นแก่ตัวความคิดได้พ้อยคำของเขานั้นตรงกับนิสัของเขาเขาโป้ปบทมดเท็ดและไร้ซึ่งจริยธรรมในการให้คําปรึกษาในการให้คําหารือและพวกเขามักจะอยู่ในเชิงเห็นด้วยทุ่ยเอาใจเขาครับเอาใจคนเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนพี่น้องครับคนที่มักช่วยเหลือคนอื่นนะครับคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอย่างจริงใจเป็นคนที่จะเป็นที่รักและเป็นคนที่จะคนอื่นยกย่อง นะครับคนที่ฉลาดในการให้คำปรึกษาจะได้รับคำสรรเสริญข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับใจของคนที่ตลบตะแลงก็จะบิดเบี้ยวใจของคนที่ตลบตะแลงก็จะบิดเบี้ยวคนที่คดในข้ององในกระดูกความที่ของเขานั่นจะถูกดูหมิ่นในที่สุดครับและเขาจะจากโลงนี้ไปโดยปราศจากมรดกที่ถาวรเหมือนกับบ้านที่ถูกทําลายโดยพายุและน้าท่วม แต่คนชอบทำนั้นจะฝากมรดกและผลงานไว้ตลอดไปพี่น้องครับคนจะได้รับคำชมเชยตามสามัญสานึกที่ดีของเขาตามสิ่งที่เขาได้ทำไว้นะครับขอพระเจ้าเมตตาวอวยพรเราให้เราเป็นคนชอบทำครับจะได้มีคุณค่ากับคนอื่นกับสังคมกับครอบครัวต่อไปอาเมน